ขจ้าพระไพบูร์อภิปุนโนจาวัฏป่าดอนหายโศกอำมเบรน้องหานจวดัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็เพื่อที่ต้องการจะพูดถึงเรื่องของการนำธรรมะไปใช้งานในชีวิตประจาวันของเราคือนำไปปฏิบัตินั่นเองคำว่าปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติในที่นี้คือไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปวัด หรือว่าจะต้องใส่ขาวนุ่งขาวห่มขาวหรือว่าจะต้องมาบวชเท่านั้นนั้นก็เป็นรูปแบบหนึง่งแต่การปฏิบัติคือการนำธรรมะไปใช้งานนั้นคือทำให้เป็นชีวิตเป็นของในชีวิตประจําวันเราตื่นเช้ามามีความรักความเมตตาในลูกหลานมีความรักความเมตตาในมารดาบิดาผู้ปกครองต่างๆ่า้ความรักความเมตตาที่เราส่งไว้ในใจนั้นชื่อว่าเรามีการปฏิบัติธรรมแล้ว เราขับรถออกไปมีคนปาดหน้าขับรถปาดหน้าเราเราแทนที่จะโกรธจะหึมขึ้นมาเราก็าอดทนเอาไว้นั่นก็ชื่อว่าุณมีการปฏิบัติละดีละการปฏิบัติอย่างนั้นคือเป็นผู้ที่เราทรงไว้ซึ่งธรรมเน่เป็นธรรมวิหารีน่คือผู้ทรงธรรมผู้ทรงธรรมที่มีการทรงไว้ซึ่งธรรมอยู่ในใจน่มีการขยันทางานอย่างเข้มแข็งไม่อู้ไม่โกงแต่ว่ามีความขยัน มีความซื่อสัตย์มีความอดทนนั่นชื่อว่าเรามีการปฏิบัติธรรมอยู่อย่างต่อนเนื่องดีแล้วงดงามมากชื่อว่าเป็นชาวพุทธเป็นผู้ที่รับนับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าวนี่เป็นพุท ธ, ธะมีพุท ธ, ธะอยู่ในใจมีสังฆะคือการปฏิบัติอยู่ในใจเรารู้ธรรมะหมวดต่างๆเหล่านี้เราก็มีธรรมะอยู่ในใจแน่คือมีธรรมะมีสังฆะมีพุท ธ, ธะอยู่ในใจของเรา ด้วยการความรู้ที่เรามีในการที่เราจะทําความดีต่างๆนั่นคือธรรมะนะการปฏิบัติที่เราเอามาทําให้เห็นจริงทําให้ได้ในชีวิตประจาวันของเรานั่นคือสังขะถัาเกิดเป็นผลเป็นความดีความงามขึ้นมารู้แจ้งในใจในะถึงงานที่ส่งต่างๆทั้่นคือพุท ธ, ธาที่เกิดขึ้นเรามีการปฏิบัติให้อยู่ได้อย่างเป็นอย่างนี้นะนั่นชื่อว่าเรามีการปฏิบัติแล้วดีแล้วนะแล้วถ้ามีโอกาสเราจะมารีเก้นเพิ่มเติม นะมาอยู่วัดนะปฏิบัติชนิดที่เรียกว่าเป็นการหลีกเล่นนะไม่สูงสิงกับใครมีกิจน้อยอันนี้เราก็สามารถทําไดนะ้ซึ่งบางทีอยู่บ้านเราบอเราปฏิบัติธรรมมีสติฝึกสตินะไม่ได่าไม่ว่ากาันมีความรักความเมตตาเอื้อเฟื้อต่อกันการงานต่างๆมันก็ยังมนะีประเด็นก็คือว่าเวลาเราทําการงานต่างๆมีความเครียดมีความกังวลขึ้นมาเนี่ย ร, รักษาจิตของเราไม่ได้นะจึงจําเป็นอย่างยิ่งในการที่บางครั้ง เราควรจะต้องออกมาหลีกเล่นมาในการปฏิบัติเ พ, เพิ่มเติมที่เป็นรูปแบบว่าอย่างนั้นทีนี้ในการปฏิบัติอย่างที่ข้าพเจ้าได้พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยที่ว่าเราเออกมาใช้ในชีวิตประจาวันใช่ไหมไม่ขโมยของไม่ลักของพูดจามีเมตตามีความสัตย์ต่อกันรักษาหน้าที่ของตัวเองมีความข ย, ยันขันแข็งในหน้านที่การงานชื่อว่าเรามีการปฏิบัติธรรมละเราส่งไว้ซึ่งธรรมละ เป็นธรรมวิหารีละแค่นี้นายทาถูกต้องประเด็นมันไม่ได้จบแค่ตรงนั้นแต่ปเด็นมันก็คือว่ามันจะมีภาษาที่ทําให้เราไม่พอใจน่าเกิดขึ้นแล้วทาให้เราไม่สามารถรักษาธรรมะไว้ในใจของเราได้ไม่สามารถที่จะเป็นผู้ทรงทําได้ไม่สามารถที่จะสืบต่อการปฏิบัติของเราได้เช่นอะไรแต่เราตั้งใช้ทําความดีมีเมตตา มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ขยันขันแข็งไม่โกงแต่ปรากฏว่ามีคนมาด่าไงทำไมเธอทำอย่างนี้่าอย่างงั้นอย่างนี้ไปนะเราก็เริ่มไปละเริ่มออกนอกทางนะหรือมีคนเข้ามายุ่ยยวนคุณเส็นตรงนี้สินะมีชวนแบ่งให้เท่านั้นเท่านีนะ้มันก็จะเริ่มไปออกนอกทางนะมันจะมีภาษาที่มาคอยยุ่ยยวนบ้างจะมีภาษาที่มาคอยทำให้เราขับแค้นเดือ ด, ด้อนบ้าง เราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งได้มาพูดคุยกับข้าพเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ตัวท่านผู้ฟังท่านนี้ก็ไม่สบายล่ะเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกมากแล้วก็รักษาโดยทุกวิธีทางผ่าตัดฉายแสงคีโมทุกอย่างทําทุกอย่างแล้วก็ผ่าตัดมาหลายครั้งแล้วเราก็ได้รับทุกเบญจนาเกิดขึ้นอย่างมากคือเจ็บมากบางอันเด๋แล้วก็ท่านผู้ฟังท่านนี้ก็เป็นผู้ที่ รู้ธรรมะพอสมควรนะมีการฝึกปฏิบัติมาอย่างดีนะตัวท่านเองนั้นก็คอยที่จะรักษาจิตอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนนาปานสติกธารมแผ่เมตตาก็ทำนะการพิจารณาตัวตนชนิดที่เรียกว่าเป็นของไม่สวยงามก็ทำนะเห็นกายโดยความเป็นของเน่าเปื่อยก็ทำอสุภะทำมันหมดทุกอย่างแต่มันก็ยังเจ็บมันก็ยังปวด จะทำอย่างไรเรื่องนี้คือเรื่องที่จะมาทดสอบว่าเราสามารถที่จะทรงอยู่ในธรรมได้ไหมแตนะ่เราต้องแยกเป็นประเด็นอย่างนี้ก่อนอมีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าตอนนั้นอยู่ที่เขาคิจกุฎในะเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ข้าพเจ้าจะพูดถึงประเด็นนี้ประเด็นเดียวแตนะ่ว่าไอ้เวลาที่เรามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นจากความเจ็บไข้เนี่ยในวิถของเราในการดําเนินชีวิตของเรามันมีแน่ บางทีปวดหัวตัวร้อนอาจจะไม่ใช่เรื่องของมะเร็งอาจจะเป็นโรคเล็กๆนอก้อยๆเช่นเจ็บท้องเจ็บตรงนี้เจ็บตร ง, งนี้บ้างแตนะ่เราไม่สามารถที่จะปฏิบัติทําไดนะ้หรือบางทีการที่จะทรงอยู่ในธรรมมันมันได้ยากนะเราจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรนะในเรื่องของปริเด็นตรงนี้ก็ตอนนั้นพระพุทเจ้าอยู่ที่เขาคนะิจกุฎแล้วเราก็มีภิกษุวกกนะลิชื่อวกกะลิเนี่ยก็ตอนนั้นเจบ็บไข้ป่วยเป็นไข้ อย่างหนักก็พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนายช่างหม่ออยู่ในเมืองราชส ก, กุลแล้วก็ได้สั่งภิกษุอุปถากนี่แหละไปหาพระพุชานั้นได้นิมนต์พระพามาเยี่ยมซะหน่อยพระพุทธาตอนนั้นฉันข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดแจงเสนาสนะก็เดินลงจากเขาไปเยี่ยมท่านพระวักกลิที่บ้านของนายช่างม่อก็อถามท่านพระวักกลิบอกว่าเธอยังทนอยู่ได้ไหม แต่เธอยังอดทนอยู่ในภาษาต่างๆในอาการเจ็บไข้ต่างๆอหลนี้ท่านพระวากลีก็บอกโอ้ทนไม่ได้เลยเจ็บมากแต่เจ็บในร่างกายต่างๆแต่แลักษณะเดียว ก, กันกับท่านผู้ฟังท่านนี้หรืออา จ, จมีท่านผู้ฟังอีกหลายๆท่านที่ได้รับความเจ็บป่วยทางกาย น, นไม่สามารถที่จะทนได้มันทนได้ยากมากแต่บางทีมันเจ็บมากเนี่ยจะทรงจิตตั้งสติไว้นี่ก็ยากหมอเขาต้องฉีดฉีดอะไรที่มันจะฉีดแล้วไม่เจ็บทุกๆกี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมง หชั่วโมงไหนฉะีดมอร์ฟีนกี่โดสกี่โดสก็ว่าไนะหรือยายอย่างอื่นที่จะทําให้มันหายเจ็บมันก็ไปมึนหัวมันก็มีอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นแน่ละถามว่าเจ็บขนาดนี้แล้วจะทําอย่างไรไหนเรามาดูของกรณีของท่านพระวัคคะลีกันไหนะถ้าพอท่านพระวัคคะลบอกว่าเจ็บมากขนาดนี้ทนไม่ไหวเลยพระเจ้าถามคําหนึ่งไหนะกับท่านพระวัคคะลีบอกว่าเธอติดเตียนตัวเองด้วยเรื่องของศีลได้หรือไม่ หรือว่าจะมีผู้รู้ผู้อื่นที่ติเดเตียนทัวเธอเนี่ยด้วยเรื่องของศีลได้หรือไม่ท่านพระวกรกลษก็ตอบว่าไม่ได้เลยแต่คือตัวข้าพรองเองในสติเตียนตัวเองด้วยเรื่องของศีลก็ไม่ได้เพราะว่าศีลเราสมบูรณ์อยู่แต่ก้าวเย็นก็ไม่ได้กิ น, นรักษาศีลดีตั้งแต่ปารชิกสสังการที่ 13, สเสษสิบนิสกียป 7, ัจิตเตียต่างรักษาได้อย่างดีไม่มีข้อด่งางปลอยในเรื่องนั้นแต่ตอบพระพุทธเาไปในลักษณะนี้ พระเจ้ก็เลยบอกว่าเอางั้นเธอจะเดือดร้อนด้วยเรื่องอะไรเดือดร้อนด้วยเรื่องอะไรที่เรามีศีลไม่สมบูรณ์เพราะเรามีศีลสมบูรณ์แต่ถ้าเรามีศีลสมบูรณ์เราไม่ควรจะต้องเดือดร้อนใจแต่อตัวท่านผู้ฟังเองแต่เราอาจจะมีความเจ็บป่วยทางกายใช่แต่ถ้าใจของเราเป็นใจที่มีศีลเป็นใจที่มีความตั้งมั่นในสัตยธรรมอยู่เรารู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะด้วยในใจแต่ถ้าเราจะเดือดร้อนด้วยเรื่องอะไร เราก็บานในที่นั้นท่านพระวักคีตอบนี้บอกว่าก็ด้วยการที่ยังไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเนั่ยจะเข้าไปเฝ้าพระพุเจ้าก็ยังไม่ได้ไปสักทีนั้นเลยต้องให้พระอุปถัมภ์ไปนิมนต์มาพระพเจ้าก็ตอบว่าประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายอันเน่านี้นั้นไม่มีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายอันเน่าๆนี้เลยเนี่กายมันเน่าเป็นของรังโรคน่ยเราควรจะพิจารณามากกว่าว่ารูปเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงและสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข คุณฟังตอบได้เลยแต่ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันต้องเป็นทุกข์มันจะเป็นสุขไปได้อย่างไงเหลียงกายเราเห็นอยู่ถ้ามีของเจ็บปวดเกิดขึ้นในกายอ้าวนั่นมันไม่เที่ยงไงเมื่อก่อนมันดีอยู่เดี๋ยวนี้มไม่ดีเออไม่เที่ยงใช่มันเป็นทุกข์ทำให้เราเจ็บแต่สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาสิ่งใดที่เป็นอนัตตาเนี่ยสิ่งนั้นควรแล้วหรือหนอที่จะเห็นว่านั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นของเรานั่นนนเเป็ตตัวองรา ควรหรือไม่ลราพิจารณาดูเอสิ่งที่มันเจ็บมันไม่เที่ยงมันไม่ควรหนะ้าที่จะเอานั้นมันเป็นสิ่งของเราเป็นตัวเราอย่างปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตาม น, นไม่ใช่เฉพาะเรื่องความเจ็บไข้ในกายคุณรับรู้ถึงปัญหานั้นแล้วมีแน่นอนคุณอ่านหนังสือพิมพ์เอาโลกตรงประเทศนั้นเขาก็รบกันเออประเทศนั้นเขาก็แย่งกัน เหนใกล้เข้ามาหน่อยผ่านเพื่อนบ้านเราก็มีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราไม่รู้สึกว่า น, นั่าจะมาเป็นปัญหาของเราเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราชาติของเราในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นหรือว่าเราอาจจะอ่านจากข่าวจากหนังสือพิมพ์ก็ได้แต่คนภาคนั้นคนที่อยู่บริเวณนั้นเขาถูกฆ่าตายเขาเป็นโรคตายเราขับผ่านวัดเอ้เห็นคนตายเขาสวดกุศลาธรรมากุศลาธรรมากันให้เราไม่รู้สึกอะไรกับบุคคลเหล่านั้น แต่ถ้าเป็นคนที่เรารักหรือแม้แต่ตัวเราเองกำลังเจ็บไข้อยู่อมันจี๊ที่ใจา ม, ามากๆเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราในสิ่งนั้นนั่แหละคือประเด็นที่ว่าถ้าเราเห็นว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราพูดเฉยๆมันง่ายสิใครก็พูดได้พุทธเจ้าก็พูดไปแล้วเราอเริยสสาวกคัตงก็พูดเอาไว้ ท่านทำได้นี่ไอเราบางทีมันทุกอยู่เฉพาะหน้านมันเสียดแทงอยู่ที่กายเยมันจะทิ่มเข้าไปในจิตเนี่ยโอ้บางทีมันมันยากในการที่จะควบคุมตรงนี้บางทีได้รับทุกขเวทนาทางกายอย่างแสนสาหัสแล้วหนักมากชนิดทีเรียกว่าเกือบจะชีวิตไม่รอดนักผู้ชาให้ทำอย่างไรแต่บุงคลที่ได้รับทุกขเวทนาขนาดนี้สิ่งที่เราควรจะต้องทําคืออดทน คุณใช้ยาตามที่หมอเขาสั่งก็ไม่มีปัญหานะทนไม่ได้ก็ฉีดนะฉีดไม่ได้ก็ทนทนแล้วยังไงทนต่ออะไรนะทนต่อทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนอันแทบจะนําไปเสียซึ่งชีวิตทนอะไรทนอะไรทนไม่ให้อกุศลธรรมมันเกิดถ้าอากุศลธรรมมันเกิดต้องรีบละเอาทีละกันตอนนะเวลาเรามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนเจ็บมากๆบางทีจิตของเราอาจจะไม่ได้เกิด เอาุณศรธรรมก็ได้เอาุณศรธรรมคืออะไรนันคือความคิดในทางกา ร, รพยาบาลเบียดเบียนดา่คนนดาคนนู้นด่าคนนี้อยกตัวอย่างเช่นคนที่เจ็บไข้มากๆแต่ถ้ามีอาการที่เรียกว่ากราฟัดกราฟิกระด้างกระดึงแสดงความโกรธความขัดเกงความไม่พอใจให้ปรากฏแต่ไม่ใช่ดา่าตัวเองอย่างเดียวด่าคนรอบข้างดา่าหมอดา่าพยาบาลนี่คือลักษณะของจิตแตกถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นใช้บว่าคุณอดทนได้ หรือเราฟั่นเฟือนนะร่ำให้คร่าครวนตุบกชกตัวถึงความเป็นผู้งุ่นงงคลั่งเพ้อสติแตกนะไม่สามารถรักษาสติอยู่ได้อันนี้แสดงว่าจิตแตกแต่ถ้าเมื่อไหรนะ่เราไม่ได้จิตแตกขนาดนั้นแต่เราสามารถที่พอที่จะควบคุมสติอารมณนะ์คือบางทีมันเพ้อบ้างมันก็เป็นไปตามอระการของกายแต่ว่าใจของเรานั้นไม่ได้มีสิ่งที่เป็นอกุโสระธรรมเกิดขึ้น ไม่ได้ด่าใครว่าใครมีอาการเจ็บปวดเกิดขึ้นมาเราก็อดทนเอาไว้อดทนนี้ไม่ใช่ว่าทนเจ็บนะแต่ทนไม่ให้อกุสุลธรรมมันเกิดนะเกิดถ้าเกิดทํำยังไงก็ไม่ใช่เก็บเอาไว้นั่นเขไม่ได้ยอดทนเขาเรียกเก็บกดถ้าอากุสุลธรรมมันเกิดเรารีบละเกิดปุ๊บละปับ๊บเกิดปุ๊บละปั๊บปุบ๊บปั๊บปุบป๊บปับ๊บเปิดปุ๊บติดปั๊บอย่างนี้เลยให้มันเกิดปุ๊บเราละทันทีเกิดปุ๊บเราละทันทีอยาจะไปโทษคนอื่นปุ๊บเราละความคิดนี้ทันทีมันเกิดขึ้นมาอีกเราละอีก นี่แสดงว่าเรารู้อดทนนั้นเป็นช้างฉนินดที่เรียกว่าถ้ามีคุณสมบัตินี้เป็นช้างที่เป็นองค์อวัยวะของพระราชาเป็นช้างอาชาไนนันถูกหอกแทงถูกล้าแทงเสียงดังอึกกระทึกกึกก้องก็ทนได้นิ่งอยู่ได้เหมือนการเรามีความเจ็บปวดทางกายเกิดขึ้นตุ้มที่ไหนอะในท้องในไส้แขนขาหัวปวดมันหมดปวดหมดแล้วไง อย่าให้จิตของเรามีอกุโสธรรมเกิดขึ้นนะมีแล้วทำยังไงรีบละมันซะประหารต้องรู้จักประหารรู้จักสลัดออกสละออกคือสลัดเจ้าความชั่วช้าหลามกอกุศลสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นออกอดทนไม่ใช่อดทนเจ็บใครจะไปโง่ให้มันเจ็บละ่ะเจ็บๆแล้วเราจะไปทนแช่อยู่ทําไมละ่ะถ้ามันหลีกได้มันก็ดีแต่ถ้ามันหลีกไม่ได้เราอดทนไม่ให้อกุศสธรรมมันเกิดนี่คือความอดทนอดทนไม่ให้เจ้าอากุโสธรรม แตนะ่ถ้าเรามีทุกขเวทนาะทางกายเกิดขึ้นใดๆอดทนไม่ให้มันเกิดแตนะ่ถ้าเรามีทางเลี่ยงได้จากทุกขเวทนาะนั้นๆมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราเลี่ยงไม่ได้เราก็ยังอดทนได้อย่างกรณีของท่านพระวัลคีเป็นตน้นะหรือภิกษุรูปอื่นๆในสมัยพุทธกาลโอโหจดบันทึกไว้ในพไตรปิฎกเยอะแยะหลายรูปหลายองค์ในที่เจ็บป่วยนนั้นได้รับทุกขเวทนาะนะแต่ก็อดทนไม่ให้อกูสุลธรรมมันเกิดขึ้นได้เป็นบุคคลอาชาใน มีคุณสมบัติเหมือนช้างอาชายเหมือนม้าอาชาไนเป็นผู้ที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบแตนะเราอดทนต่อเจ้าทุกขเวทนาแล้วไม่ให้อกุสุรธรรมมันเกิดแตนะถ้ามันเกิดเรารีบละแตนะอย่ากเก็บกดเอาไวนะ้ต้องมีการละอกุสุรธรรมนะไม่ใช่ว่าทุกเวทนามันจะดับไปต้องทําความเข้าใจให้ดีว่าทุกคืออะไรทุกคือเวทนานะทุกคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ทุกไม่ใช่ดับนะทุกไม่ใช่ของที่คุณจะต้องละนะแต่ของที่คุณจะต้องละนั้นคือตัณหาถ้าเราอยากในการที่จะไม่เจ็บอ้าวมันมีวิภาวะตัณหายากที่จะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรามีความอยากในความที่จะให้เป็นอย่างนั้นอ้าวคุณมีตัณหามีภาวะตัณหาคืออยากที่จะเป็นอย่างนั้นถ้ามีความอยากเมื่อไหร่สิ่งนั้นจะเป็นความทุกข์ทันทีปุ๊บทันทีมันเปิดปุ๊บติดปั๊บเหมือนกัน นะัจะติดหนั บ, น, บ, น, บนึบไปตรงนั้นเลยนึบปุ๊บเราก็ทุกปั๊บทันทียิ่งทุกสองดอกนะทุกทางกายก็ดอกหนึ่งแล้วทุกทางใจก็อีก2ดอก3ดอกด้วยันะ้งอยากมีและอยากไม่มนะีถ้าอยากมีแล้วไปไ ด, ไได้ไม่ได้อีกทุก4ดอกนั้นะทุกแทงที่ใจนะมันก็จะทุกหนักมากทนะนไม่ได้แยกแย ก, ยกให้ออกพิจารณาให้ดีจำฝังโดยช่วงยิ่งคนที่เจอปัญหานี้นะผู้ที่มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทางกาย ไม่ใช่เฉพาะเป็นโรคร้ายเอาโรคธรมธรมดาๆเลยบางทีมันมีความไม่สบายกายเกิดขึ้นแค่นี้ก็แย่พอแรงและหรือบางทีคนแก่แมาแก่แล้วมันก็เปิดทางให้โรคต่างๆแหงเข้ามาล่ะไม่ว่าจะเป็นโรคเข่าโรคข้อโรคกระดูกโรคศีรษะโรคหูโอ้เต็มพืชเราจะแก้ไขอย่างไงแต่คือหมอเขาก็แก้ไปก็แก้ตามเหตุไม่มีปะนะัญหาแต่แก้นี้ไม่ใช่ว่าแก้ธรรมะแล้วโรคมันจะหาย นะโรคพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ทุกข์ไม่ใช่ดาบนะทุกข์ไม่ใช่ของที่ควรละทุกข์อาจจะดับได้อยู่แต่ถ้าเราละตัณหาต ท, ทุกข์อาจจะไม่เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ได้อยู่ถ้าเราละตัณหาได้เราละตัณหาละที่ไหนไม่ได้ละที่เข็มฉีดยาไม่ได้ละที่หมอรักษาโรคไม่ได้ละที่กายของเราแต่ตัณหาคือเหตุเกิดทุกข์นั้นมันละอยู่ที่ใจมีใจอยู่ที่ไหน ตันหามันเปื้อนอยู่ตรงนั้นตันหามันหนืดเหนียวอย่างนั้นเราละเราแทะเราแกะเราล้างเราถอนเราขุดเราลอกเราชำระมันออกเจ้าตันหานี่ชําระมันออกแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นจะไม่เป็นทุกข์ในใจของเราทุกเวลานาที่เกิดขึ้นทางกายจะไม่มาเป็นทุกข์ทางใจมันดับไปไหมมันอาจจะอยู่ในกายอยู่นะมันอาจจะเจ็บอยู่แต่ยังน้อยมันไม่ทุกข์ใจคุณถูกรูสอนแทงดอกเดียว นะความแตกต่างกันระหว่างอาริยะบุคคลที่พิจารณาเห็นตรงนี้กับปุตุชนธรรมดาที่ไม่รู้เรื่องอิโนโนอิเนธรรมะเนี่ยมันต่างกันโดยเชิงเฉลิมนะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทางกายเหมือนกันแต่คนที่ไม่รู้อิโนโนอิเนธรรมะอะไรเนี่ยจะไม่รู้อุบายในการปลดเปลื้องทุกขเวทนานั้นคําว่าปลดเปลื้องทุกขเวทนานั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกขเวทนาดับไปจากกายแต่ทุกขเวทนานั้นดับไปจากจิตนั่นเองทํำยังไงเี่ย มันมีอุบายนั่นคือเราเข้าสมาธิให้มันลึกลงไปก็ได้นั่นคือถ้าเราเป็นผู้ที่มีราคาโทสโมหเบาบางการที่เราจะเข้าสมาธิให้ลึกลงไปเนี่ยมันก็ได้เป็นไปได้หรือวิธีหนึ่งคือเราจ่อไปที่ความทุกข์ตรงนี้น่ะมันเจ็บขาใช่ไหมเจ็บท้องใช่ไหมดูซิว่าใครเป็นคนมาเจ็บนะเซลล์ไหนอวัยวะส่วนไหนแบ่งแยกออกเป็นเซลล์เป็นโมลเลกุลเราจะเห็นความไม่ใช่ตัวตนของมันน่ะผู้ที่เจ็บเนี่ยจะไม่มี และนี่คือ2วิธีที่เราพิจารณาได้เพื่อที่ให้เกิดความปล่อยวางปล่อยวางที่ไหนปล่อยวางในใจนะทุกเวทนาหายไปไหมหายไปจากจิตนะแต่ทางกายมันอาจจะยังอยู่เราอดทนไม่ให้อกูสลดธรรมเกิดขึ้นวิธีการ2วิธีการเนี้ยอย่างน้อยเนี้ยมี2วิธีการเป็นดุบายที่ปลดเปลื้องความทุกข์ออกจากใจแต่เป็นคนที่อดทนที่เขาจะใช้นอดทนในการที่จะไม่ให้อกุสลดธรรมมันเกิดขึ้นในจิตมันจะเกิดขึ้นคุณพิจารณาความเจ็บสี มันเจ็บตรงไหนตัวตนอยู่ตรงไหนในละึกคุณเข้าสมาธิลึกเข้าไปแต่ประเด็นตรงนี้ว่าแม้เราทําจะสองวิธีก็ตามมันก็ยังปล่อยวางไม่ได้สิใจก็ยังอาจจะไปคิดตําหนิกคนนั้นคิดตําหนิคนนี้ในคิดว่าฉันเป็นอย่งงางนั้นคิดด่าตัวเองในคิดว่าตัวเองเป็นคนต่ําต้อยอันนี้เป็นมานะด้วยซ้ํานั่นเป็นโมหะอย่างหนึง่งซึ่งถ้าเราละไม่ได้คุณก็จะบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ไม่ได้ลนะหลายรูปหลายองค์นะท่านผู้ฟังในสมัยพุทธกาลนี้ เจอทุกขเวทนาเจ็บแสบเผ็ร้อนนั้นะจนกระทั่งแทบจะนำไปเสียซึ่งชีวิตบางทีถูกมารกวนอะย่างเงี้ยเอาโรคมาใส่ในท้องอะไรต่างๆก็ใช้โอกาสนี้นะในการที่จะพิจารณาแล้วปล่อยวางหมดแล้วนะก็เป็นพระอรนันไม่ก่อนไม่หลังต่อการตายแตนะ่คือกําลังจะตายนั่นแหนะหรือในช่วงที่เจ็บป่วยอย่างหนักเนี่ยก็ใช้โอกาสนี้ในการที่ทําตัวเองให้เป็นพระอรันขึ้นมานะปล่อยวางได้ขึ้นมาเป็นความเป็นอาชานัยเกิดขึ้นมา แนะทำให้บุคคลนั้นใช้ประโยชน์จากความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายนะให้มันเป็นประโยชน์สิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจนั่นะคือทุกขเวทนาไม่ใช่อคุศลจะไม่ดีทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายไม่ใช่อคุศลที่จะพาเราไปนรกโอ้ยบางคล น, นี่นะกังวลมากว่าโอ้ยถ้าฉันตายไม่ดีเช่นประสบุบัติเหตุหรือว่ามีความเจ็บปวดตายนเนี่ยฉันจะไปไม่ดีเหมือนกนเลยเรื่องกัน แตคนลเรื่องกันดูอย่างท่านพระหมหาโมคัลนละ้นะเอ้านีถูกโจรทุบตายเนะี่ยทุบจนกระทั่งกระดูกแตกเท่าเม็ดข้าวสารหักอย่างเงี้ยท่านจะได้รับทุกขเวทนาไหมจำมือฝังว่าถูกตีขนาดนั้นเอาไม่ต้องไม่ต้องขนาดว่ากระดูกทั้งร่างแตกขนาดเม็ดข้าวสารหักเอาแค่ว่าพระอาหารหันต์ถูกบีบนิ้วเท้าด้วยคีมอย่างเงี้ยถูกทับเล็บอย่างเงี้ยโอ้ยมันเจ็บมากเลยมันเจ็บแน่นอนความเจ็บที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะทําให้กายไม่สงบระงับนะี่พระเาตรัสไว้ เราถึงเรื่องตอนที่พระองค์เป็นโพธิสัตว์อยู่แต่นะบอกว่าตัวพระองค์เนี่ยมีกายกระสับกระสายไม่สงบเพราะความเพียรในนะกําลังแห่งความเพียรที่ทนได้ยากเสียดแทงเอาแต่นะเราเจอความเจ็บขนาดนี้แต่นะคือตอนนั้นเป็นผู้ที่ทําทุกขกิริยาอยู่่นะกลั้นลมหายใจจนกระทั่งลมมันตีขึ้นต่างหัวลมมันเสียดลงในท้องแต่นะ เ, เจ็บปวดมากกายกระสับกระสายไม่สงบเพราะกําลังแห่งความเพียรที่ทนได้ยากเสียดแทงเอา นั่นไม่ใช่อกุศลได้โปรดฟังนะนั่นไม่ใช่อกุศลทุกทเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายไม่ใช่อกุศลแต่เป็นกําลังของความเพียรที่บางทีมันทนได้ยากเสียดแทงเอาแต่ทำให้บางทีกายกระสับกระสายมีความเพอ้เอออกมานะแต่จิตเราน่ยไม่ได้ฟันฟ่นเฟือนแต่จิตเราก็ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่อยู่ยังไงเรื่องไงมีสติสัมปชัญญะก็ไอที่อกุศลมันไม่เกิดนั่นละมีสติสัมปชัญญะแล้วไอที่เราพิจารณาว่า ใครมาเป็นคนเจ็บปัญหาไม่มีนั่นชื่อว่าคุณมีสติสัมปชัญญะแล้วแต่อาการเจ็บยังมีอยู่นะก็ต้องแยกแยะให้ออกว่าส่วนสมุทรไทยก็ส่วนสมุทรไทยสิสมุทรไทยคืออะไรคือตันหาก็แยกไปอันนี้เราต้องละส่วนทุกขก็ทุกสินั่นคืออะไรเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาตเป็นความทุกนะเรื่องนี้สําคัญท่านบุฟังให้ข้าพเจ้าพูดช้าๆแล้วก็ฟังไปทีละขั้นละตอนชัดเจนชัดเจนนะย้ำอีกครั้งหนึ่งทุก ก็คือส่วนที่เป็นทุกข์คือเวทนาอันนั้นอาจจะมีอาจจะดับได้ตามการของมันไว้ส่วนหนึ่งส่วนที่เราต้องละต้องขจัดออกนั่นคือตัณหาอีกส่วนหนึ่งเราพิจารณาให้ดีแต่เวลาเราพิจรารณาใครมาเป็นคนเจ็บเราดูตรงนี้ดูที่ไหนในใจของเราไม่ได้ดูที่กายนะคุณอยากจะพิจารณากายตรงนั้นตรงนี้นนมันหยาบไปแล้วแต่มันเจ็บมากขนาดนี้บางทีมพิจารณาไม่ออก มันมึนมันตึงมันตันมันตึงตันทำไงก็ย้อนเข้ามาสู่ตัวเข้ามาในใจของเราแต่กายนี่มันยังหยาไปเอาเข้ามาใน ใ, นใจให้ใจเห็นอะไรเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของอะไรของกายนี่แหละเวลาใจที่จะเห็นความไม่เที่ยงของกายไม่ใช่ไปคิดว่าผมคนเล็บฟันนังเนื่องกระดูกนะ่มันหยากไปแล้วมันเป็นอัตโนมัติอยู่้างไหนแต่บางทีใจของเราเนี่ยไม่ได้ว่าจะต้องคิดเป็นคาพูดนะ แต่มเป็นสภาวะสภาวะหนึ่งซึ่งนิ่งอยู่ส ง, งบอยู่ข้างในลึกๆนึ่งแต่เวลามีอะไรมากระทบปุ๊บมันนิ่งเฉยได้เพราะอะไรทำไมมันไม่ยึดก็มันเห็นความไม่เที่ยงอยู่แล้วเห็นความไม่เที่ยงอยู่แล้วไม่ยึดเราดูตรงนั้นมันมีความยึดถืออยู่ไหมที่ว่าจะทําให้ใจของเราเข้าไปเอาความทุกข์นี้มาเป็นของตัวและเราเห็นให้จริงให้ประจักษ์ตรงไหนคือความทุกข์กันแน่ตรงไหนคือตัณหากนันแน่ แต่ถ้าเราเห็นจริงแจ้งประจักษ์แล้วในใจของเราก็เป็นสภาวะสภาวะหนึ่งเ น, นือน้ามันติดกับใบบัวมันไม่ได้ทาให้ใบบัวเปียกหรอกแต่มันติดกันอยู่ทุกขเวทนาอยู่ในกายของเรากายของเรามันติดกับใจอยู่แต่ใจของเราไม่ได้เพื่อนไปด้วยอกุศลธรรมที่เป็นผลของผัสสะนั้นทำไมเพราะเรารักษาใจของเราด้วยความอดทนอดทนอย่างนี้ มีความเป็นนาชานัยใจที่ไม่มีอกุศลธรรมต่อให้มีสิ่งใดๆมากระทบจะเป็นเวทนาที่เจ็บแสบเผ็ดร้อนอันแทบจะนำไปเสียซึ่งชีวิตใจเรายังป้องกันไม่ให้อกุศลธรรมเกิดได้ถ้ามันเกิดเราละปับ๊บมันเกิดเราละปุ๊บนี่เยี่ยมมากบางครั้งบางทีไอเวทนาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทุกข์ก็ตามสุข ก, ก็ตามเนี่ยอาจจะเป็นผลของกรรมก็ได้ เป็นผลของกรรมที่เราอาจจะได้ทำมาเราไม่รู้หรอกแต่มันเกิดขึ้นแล้วละถ้าม like ั it, นเกิดขึ้นแล้วเราเห็นแจ้งประจักษ์ตามที่มันเป็นอย่างนี้แต่ไอ้ทุกขเวทนานั้นมันอาจจะไม่ได้ดับไปนะทางกายอาจจะไม่ได้ดับแต่อย่างน้อยทุกขเวทนานั้นสามารถที่จะปลดเปลื้องไปจากจิตของผู้ที to to them, ่มีปัญญาอย่างนี้ได้เมื่อทุกขเวทนาได้รับการปลดเปลื้องไปจากจิตของผู้ที่มีปัญญาอย่างนี้ได้แล้ว ชืว่าคุณถูกลูกศรแทงแค่ดอกเดียวใจของเราไม่เปื้อนใจของเราไม่ได้ถูกแทงไปด้วยเราไม่ได้ถึงขนาดว่าหลงลืมสตินะเป็นบ้าเป็นหลังอย่างนั้นเราก็ไม่ถึงขนาดด่ากราดแสดงความขัดเคืองความโกรธเกิดขึ้นแต่แน่นอนละ่ะบางทีทางกายมันไม่สบายมันก็มีความหงุดหงิดเกิดขึ้นบ้างนะความหงุดหงิดนั้นเป็นอาการของกายที่กระสับกระสายไม่สงบเพราะกําลังแห่งความเพี่ยนที่ตนได้ยากมันเสียแทงเอา เราพิจารณาเห็นโดยประจักษ์อย่างนี้แล้ววางซะทตามฝั่งวางซะเถอะแตนไม่มีประโยชน์อะไรด้วยกายอันเน่านี้เลยกายนี้เป็นของหลังโรคเห็นชัดๆัดแจ้งอย่างนี้แล้วให้ใจเนี่ยมันนิ่งซะเถอะใจอย่าไปยึดถือกายนั้นโดยความเป็นตัวตนเลยของใดเป็นของทุกข์เราอย่ามาเป็นของเราความทุกข์ไม่ใช่ของเราความทุกข์ไม่ใช่เป็นตัวตนของเราความทุกข์มันเป็นสภาพของมันเป็นอย่างนั้นกายนี้มันมีมาเป็นอย่างนี้ มันก็เปลี่ยนแปลงไปไปตามสภาพของมันไม่ใช่ของเราถ้าเรามาเป็นของเราเราจะทุกข์เปล่าๆหนักบายเฉ ย, ย, ย, ยว่างมันซะกายก็ให้เป็นไปตามสภาพหมอเขาก็ดูแลไปพยาบาลเขาก็ช่วยเหลือเต็มที่ยาอะไรก็หามาใส่ยาพี่น๊อฟเรามีเราก็พูดกันดีๆต่อให้แม้เราอยู่ในสงครามของเบทนาคือทุกขเวนนาเกิดขึ้นเต็มไปหมดมีพรรษะเยอะแยะไปหมดอยู่ในสงครามของผรรษะเราก็ชนะได้ เพราะเราไม่ได้มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นแต่บางทีภาษามันมาอย่างนี้เราก็ต้องตอบสนองไปไงนั้นมันเจ็บมาอยางนี้หมอก็ใส่ยาให้งั้นแต่ใจของเราเน่ยเหมือนก็อยู่ศูนย์กลางศูนย์กลางของพายุน้ะหมุนยังไงก็ตามศูนย์กลางมันนิ่งอยู่เสมอน่ะใจของเรามีภาษามากระทบตรงนั้นตรงนี้แขนบั่งท้องบาง้างขาบ้างคนนั้นมาพูดอย่างนี้ยาแบบนั้นนะรักษาแบบไมโ น, นนั้นนี้นะใจเรานิ่งอยู่ในะใจเรานิ่งอยู่ ใจเราไม่ให้หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบนะ่ยเป็นผู้ที่ให้ถูกลูกศรแทงแค่ดอกเดียวดอกเดียวมันก็ช้ำพอแรงละเนะ่ยเราอย่าให้ถูกแทงดอกที่สองโดยการเห็นแจ้งตามประจักษ์ตามที่เป็นจริงอย่างนี้เราจะทําความทุกข์ในใจให้มันระงับลงได้ทุกข์กายเราก็แก่ไปแต่ถ้ามันมีกายมันก็มีความทุกข์แน่ละ่ะถ้ามันมีการมันก็ต้องตายแน่ละ่ะถ้ามันมีการมันก็ต้องเจ็บแน่ละ่ะแต่ใจนี้เป็นอมาตะได้ ใจนี้รอดพ้นจากความเจ็บได้รอดพ้นจากความตายได้ด้วยการที่เราไม่ให้ไปยึดถือในความสุขความทุกข์หรือความไม่ทุกข์ไม่สุขนั้นให้ใจของเราเป็นอิสระให้ใจของเราเป็นประพัดสอนให้ใจงเรามีที่ตั้งที่ระลึกถึงคือสตินั่นเองให้สู้เราไม่ได้สู้กับเวทนาแต่เราสู้กับอกุศลธรรมเวทนาเป็นผลของผภาษะมีภาษะก็ต้องมีเวทนาแน่สุกตามทุ ก, กตามก็มีบ้างแต่อกุศลธรรม ไม่ให้เกิดเราสู้ด้วยความอดทนสู้ในการประหารอดทนกับเวทนาไม่ให้อกูสุรธรรมมันเกิดประหารอากูศรุรธรรมที่มันเกิดขึ้นถ้าเราสู้อย่างนี้การตายของเราจะไม่ต่ําซามทีเดียวเห็นนักรบตายในสนามรบเนี่มันมีเกียรติเขาไม่ได้แพ้นะเขาห้าวหานกล้าหานเขาจึงตายในสนามรบได้เรายกย่องเขาตรงนี้เราสู้นี่ไม่ได้ให้เวทนาดับนะเราไม่ได้สู้กับเวทนา แต่เราสู้กับอกุศลธรมมมต subsid, ต ร, รมรไม่ให้มันเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นก็ต้องประหาบมันซะอดทนไม่ให้มันเกิดขึ้นกิเลสอกุศลธรรมมันอาจจะจับกายของเราเป็นตัวประกันเอาไว้นจับกายของเราเป็นตัวประกันต่อรองให้ยอมรับมันให้ยอมรับกิเลสเป็นหนึ่งในใจไม่ได้เราจะไปยอมอย่างไงไม่ได้แต่เราสู้แม้มันจะจับกายของเราเป็นตัวประ ก, รกระันก็ตามให้เราเจ็บให้เรายอมแต่เราสู้ด้วยจิตกําลังจิตเผานาแลกตายเลย ให้จิตเรายอมตายจะละตายสิกิเลสอคูโสดำมันจะเอากายของเราเป็นตัวประกันไม่ได้ถ้าใจของเราสู้อย่างนี้เมื่อมันไม่สามารถจับกายของเราเป็นตัวประกันได้กิเลสมันจะแพ้เราแล้วถ้ามีการตายเกิดขึ้นจริงๆการตายตรงนั้นก็ไม่ต่ําสามเป็นการตายที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีสมกับเบญบรุษอาชาไนชายก็ตามหญิงก็ตามที่เป็นอย่างนี้ยกย่องให้เลยเป็นบุคคลอาชาไนจเจริญพร